เป็นศิลปะตุปาทานอ่าตรงนี้ธาตุเนี่ยลบทีเนะี่ยลบปอกให้มันเลยฮะออตัวศิลปะตุปาทานมันก็เป็นชื่อของทิฏฐิอยู่แล้วการกระทำด้วยทิฏฐิไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีล เพราะฉะนั้นอของมาก็ไปไปหลงไปว่าตามจำที่จะมาโมทามเมื่อวานอย่างนีน้ว่าให้ทานรักษาศีลเป็นศีลพรตูปาทานเนี่ยนะก็ก็เลยตามไปเลยจริงแล้วไม่ใช่ <c oughs> เพราะศีลพรตูปาทานก็บอกอยู่แล้วว่าทิฏฐิองค์ธรรมมันได้แก่ทิฏฐิโลบทิฏฐิสัมปยุต เธอจะด้วยอะไรก็ตามเธอเพราะว่าการกระทำใดที่ทำด้วยทิฏเกียนนะมันก็ไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลอยู่แล้วนั่นแหละอุปท า, านมีสีใช่ไหมการุปราทานทิฏปาทานอัตวาทุปาทานศิลปะตุปาทานเ <c oughs> มื่อวานได้พูดผิดไป มา ศีลพรตูปาทานกับศ mm ีลพระตปรามากคือสิ่งนั้นฉันเมื่อองธรทมบอกชัดเจนว่าเป็นทิฏฐิฉันให้ทานรักษาศีลจึงไม่ใช่ ศีลพรตูปาทานในขณะนั้นไม่ใช่ท่า น, นถ้าบอกว่าการให้ทานรักษาศีลเนี่ยเป็นศีลพรตูปาทานเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นความเข้าใจผิดเดี๋ยวนายหมอจะมาให้ใหใหลบเทปสด น, นั้นด้วยของเมื่อวานเนี่ยคือมันจะมีคำถามแทรกขึ้นมาแล้วก็อธิบายไปนะคือตัวท่าที่ที่ไหนตรงที่อธิบายศีลพระต่ปรามมาต่ะ แล้วมันบอกว่าให้ทานรักษาศีลเป็นศีลลพัตตปาม a m a ต่ะถ้าบอกอย่างนั้นเนี่ยให้ให้ลบทิ้งให้หมดเลยทนั้นผิดคือของเราก็ไปไปคิดตามคณาจารย์ที่เขาสอนนะซึ่งจริงแล้วไม่ถูกแต่ก็เขาี้สมัยใหม่เขาก็นิยมว่าให้ทานรักษาศีลพวกนี้เป็นศีลลพัตปาาตปา r a ม a ตทั้งนั้นไอ น, น, นก็มีกลุ่มที่ที่ออกมามีความเห็นแบบนี้ขึ้นเบางสายในยุคนี้เนี่ย การให้ทานการรักษาศีลวันนี้เป็นศีลพัตะปรา ม, มาทั้นนิยามของศีลพัตะปรา ม, มาหรือศีลพรตูปาธาเนี่ยองธรรมมันคือทิฏฐิแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ทานศีลภาวนาได้ไหมจะเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่พบะนะหรือสังขารเป็นปัจจัยแก่กรรมมาพบก็ได้ เป็นปัจจัยแก่รูปประพบก็ได้เป็นปัจจัยแก่อรูปประพบอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขา ร, าาขารซึ่งทุกข้อเนียเป็นปัจจัยแบบนี้ได้ โดยโดยโดยปัจจัยนะอย่างเงี้ยเป็นที่ถูกมันมันเป็นลักษณะนี้มาวานตอบไม่ได้คิด น, นั่นนะอ่า มันมันไอ้ตรงตอนต้นๆอน่ะไม่ผิดแต่ตอนหลังๆที่จ่บาม่เขาถามแทรกขึ้นมาเรื่องให้ฐานรักษาศีลก็เลยพูดตามไปเลยพพูดตามไอ้หลังจากพูดตามน่นนะผิดคือ <fulfilling. S 2> แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยลักษณะคำพูดเป็นลักษณะว่า ให้ทานรักษาศีนะเป็นศีลพะตูวปาทานเคยคือคำเมื่อวานนถ้าจําไม่ผิดมีประโยคแบบลักษณะนั้นอยู่ด้วยพูดแต่ว่าแล้วแต่เคยกัถ้ามันนิดอยากให้ลบออกไปเลยในในส่วนตรงนั้นนลยเคคือยังไงให้ทานรักษาศีนะขณะนั้นยังไงก็ไม่เป็นศีลพะตูวปาทานจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพราะทานต้องเป็นกุศลใช่ไหมศีลมันก็ต้องเป็นกุศลนะ่ะวันยังค่ำจะจะยังไงก็ช่างทานศีลก็ต้องเป็นกุศลไม่ใช่ศีลพัะตูปาทานเพราะศีลพัะตูปาทานมันองค์ธรรมมันได้แก่ทิฐิแต่ถ้าถามว่าศีลพัะตูปาทานเป็นปจัจจัยไมมเป็นแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้คุยแบบนี้ไม่เป็นไรแก้หน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยว เอากุศลไปเป็นอากุศลเนี่ยเสียหายมากเลยอายก็แย่เลยมันรักไก่เกินไปนะเนี่ยสมมุติว่าผมผมมีความเห็นผิดนะผมเห็นว่ามีผู้สร้างเมื่อมีผู้สร้างเนี่ยผมต้องการที่จะไปอยู่ร่วมกับผู้สร้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้สร้างจึงให้ทาน ทานอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสีลักประตุปาทานหรือว่าว่าอันนี้เป็นปัจจัยถ้าถ้าเป็นนะนางก็เท่ากับใช้คาว่าทานขึ้นมาเห็นไะหทิฏฐุปาทานเป็นปัจจัยแก่กุศลกุศลอันเนี้ยถ้านับเป็นก็คือเป็นเนี่ยคือไอ้คาว่ากามตัวนี้นะได้แก่โลภะแปดอกุศลเออเข้ไป คำว่ากาลเนี่ยนะในในคำว่าพบสามนะกามาพบรูปประพบรูปปพ บ, พบคำว่ากามตัวนี้ได้แก่เจตนายี่สิบแบ่งเป็นอากุศลสิบสองมหากุศลแปดเพราะฉะนั้นตัวทิฏฐิอย่างที่ผู้การกล่าวเมื่อกี้นะีตัวทิฏฐิที่เข้าใจถึงพระผู้เป็นใหญ่อยากไปอยู่ร่วมกับท่านก็เลยให้ทานตัวนั้นเป็นทิฏฐุทิฏฐุปาทานเป็นทิฏฐิพอทิฏฐิอันนี้เป็นปัจจัยให้เจริญกุศลนั่นนะซึ่ง ก็เป็นทิฏฐิแต่ถ้าเป็นศีลพัตูปาทานเนี่ยนะมันต้องเป็นทิฏฐิเป็นเป็นการกระทำที่เกิดจากทิฏฐิในขณะนั้นซึ่งซึ่งมีทิฏฐิเป็นเป็นสมุทฐานเนี่ยนะ เ, นะเช่นเรื่องอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีทิฏฐิเป็นสมุทฐานหรือการไปประพฤติวัดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีทิฏฐิเป็น เป็นสมุทฐานในขณะนั้นขณะนั้นเป็นเซระพัตุปาทานเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดจากทิฏฐิคือในขณะนั้นนะแต่ถ้าเราเอาไปปนกันหมดเลยคือในในคนคนเดียวมันก็ไม่มีใครบาปบริสุทธิ์อยู่แล้วเนยก็บางครั้งก็เป็นบุญบ้างบางครั้งก็เป็นบาปบ้างอย่างเช่นพวกลัทธินอกาศาสนาเนี่ยนะ เขาก็สมมว่าเขามีข้อปฏิบัติแบบศีลพศแต่ก็มีบางครั้งที่เขากุศ ล, ลจิตเขาเกิดกุศ ล, ลจิตเกิดมันก็เป็นกุศลไปมันไม่ใช่ทิฐิในขณะที่กุศลเกิดแต่แต่ว่าศีลและพระตูปาทานเหล่านั้นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ไหมห้อย่างเงี้ได้เพราะปฏิจจสมุปบาทแสดงไว้เช่นนั้นเลยว่าโอปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพอย่า น, นีในปฏิจจว่าอย่างนี้ แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยองคธรรมของกาโมปาทานเนี้ยก็คือโลภะองธรรมของทิฏฐุปาทานศีลภัตตุปาทานหรือศีลพัตะปา r a m ณเนี่ยนะกับอัตวาทุปาทานนี่ อ, องคธรรา ม, มานะาานนได้แก่ทิฏฐิเพราะว่ายัางไงเราต้องอธิบายอันนี้เป็นเป็นกุศลไม่ได้และเอากุศลมาอธิบายเป็นอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าถามว่าอากุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ทานศีลภาวนาได้ไหมอันเนี้ยได้ แต่ถ้าไปบอกว่าในขณะที่ให้ทานรักษาศีลเนี่ยเพราะเข้าใจผิดเพราะทิฏฐิการให้ทานรักษาศีลนั้นเป็นศีลพัตูปารทานหรือศีลพัตตาปรา ม, มา ถ, ถ้าพูดอย่างงี้พูดผิดเห็นไหมเพราะเพราะว่าเอากุศลกับอกุศลมาคละกันเอาปนกันด้วยชาติแล้วนั่ก็งนี้ผ่าน เพียแต่ว่าแก้เมื่อวานท่านเองเมื่อวานนี้ที่ถามเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าให้ทานนักตาัสศีเนี่ยโดยที่ไม่ได้ฟังอริยสัจเลยไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยแต่ว่าเข้าใจว่าจบไปเกิดจะไปเกิดเป็นเทวดาเทีุ่๋ยโดยที่สนั้นเนี่ยก็ก็นั่นแหละที่ที่ผมพูดตามไปเมื่อวานแล้วมันผิดไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจผิด เพราะว่ากุศลกับอกุศลมันจะเกิดร่วมกันไม่ได้แต่ถามว่าอากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลไหมอันนี้เป็นแต่เมื่อวานมันไปนชี้ชัดว่าเอ า, เอาอากุศลมาปนเป็นกุศลนะเอาทิฏฐิมาอธิบายเป็นทานมันไม่ใช่อยู่แล้ว คือในหัวข้อที่พูดนี่ก็ต้องอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลน่นะวาระเดียวทันะนะตัวสังโยศสามนี่นะเมื่อวานได้กล่าวถึงครั้งก่อนๆ น, นะนะกล่าวทั้งที่ถูกปาทาน หรือสกายติธิครั้งก่อนได้พูดสกายทิธิวิจิกิจชาไปแล้วแต่ศีลพัตตาปรามาตนั้นยังไม่ได้ขยายชัดเจนอะไรคือศีลพัตตาปรามาตนั้นทั่วๆไปก็นิยมแปลว่าการรูปคลำศีลและวัดนะนะศีลพัตตาพัตตาตัวนั้นมาจากวัดนั่นเองวัตตาเนีนะปรามาศาก็การถือการยึดถือหรือการรูปคลำก็ได้ นั่นก็การยึดถือศีลยึดถือวัดคำว่าศีลวัดตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่กุศลศีล น, นี่นะไม่ใช่กุศลศีลแต่เป็นศีลเป็นวัดที่ที่เกิดจากทิฏฐิเป็นสมุทฐานนี่นะไม่ใช่กุศลศีลแต่เป็นอ ก, กุศลศีล เพราะว่าผู้ที่ศึกษาพระพิธรรมมาเนี่ยจะจะสามารถพูดได้ชัดเจนว่า อ, องค์ธรรมของศีลพตะปรามาตคือทิฏฐินี่ยนะไอ้ทิฏฐิหรือศีลพตะปรามาตัวนี้เนี่ยมันเป็นทิฏฐิที่เกิดอขออภัยศีลพระปรามาตเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิ อย่างเมื่อวานที่ที่ได้กล่าวไปว่าอของเราเนี่ยมีบาปเก่ากันอยู่นะหรือมีกรรมเก่ามีกรรมเก่าทีนี้เราก็มาใช้กรรมซะมาใช้กรรมแล้วไม่ทำกรรมใหม่ เนี่ยนะอันเนี้ยเท่ากับจกเขาเขาเขาอันเนี้ยนะทิฐิอันนี้เกิดขึ้นก่อนนะมีทิฐิแบบนี้ขึ้นตัวทิฏฐิอันนี้เป็นที่ถูกปลาทานานะทิฏฐิถือว่ากรรมเก่าเนี่ยนะคือทุกคนมีกรรมเก่ากันเมื่อมีกรรมเก่าก็ถ้าเราใช้กรรมเก่านะแล้วเราก็อย่าไปทํากรรมใหม่เราก็ที่สุดแห่งทุกมันก็จะเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้ ทีนี้ใช้กรรมเก่านี่ทำยังไงบอกเอางี้นะคุณเรียนแบบโคเาเรียกว่าทำตัวแบบโคเรีโควัดหรือเรียนแบบสุนัขเาเรียกว่ากุกุรวัดนี่คือเรียนแบบสุนัขทำตัวให้เหมือนโคทำตัวให้เหมือนสุนัข ไ, ไม่ทำบาปใหม่ตัวเนี้เขาก็ไม่ไม่ไม่ได้แปลไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าใช้คำนี้คือในขณะที่ทำตัวแบบนี้ชื่อว่าเป็นการ ใช้กรรมเก่าหรือประเพณีล้างบาปซะเห็นไหมล้างบาปด้วยจะด้วยอะไรก็ได้ด้วยบางพวกก็ด้วยน้ำใช่ไหมบางพวกก็ด้วยอาหารบางพวกก็ด้วยอะไรก็กว่าไปตามลัฐที่นั้นๆไปที่ที่จะคิดขึ้นเนี่ยนะหรือจะสารภาพหรือจะอะไรก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็จะถึงความบริสุทธิ์ตรงจบตรงนี้ก็คือบริสุทธิ์นั่นเอง เนี่ยน่ไ อ, อ้กระบวนการหรือวิธีการอันเนี้ยมันเป็นทิฏฐิมีทิฏฐิเป็นสมุทฐานทิฏฐิเป็นสมุทฐานอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสีลพัตตะปรามาณนขณะนี้เนี่ยแต่ว่าในระหว่างทิฏฐิเหล่านี้สีลพัตตะเนี้ยเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ไหมอันเนี้ยได้แต่ว่ามันหมมันน้อยเต็มทีแต่ถ้าโดยโดยปัจจัยเนี่ยได้ ข้อปฏิบัติลักษณะเนี้ยคือศีลพัตโปาทานเนี่ยนะตรงนี้นะหรือศีลพัตโตปรามมากเนี่ยนะไม่ว่าจะทําตัวเรียนแบบโคเรียนแบบสุนัขวิธีล้างบาปปลงบาปอะไรทั้งหลายแหละนะรัที่ทั้งหลายแหละทั้งหมดพิธีกรรมทั้งหลายที่เป็นการล้างบาปที่ขณะนั้นไม่ใช่กุศลอะมวลพฤติกรรมเหล่านั้นนะคือ สีลพัตตะปรามากเนี่ยนะ ค, คือคล้ายๆทางโลกเหมือนกันว่าเวลาเราทําผิดมาแล้วเนี่ยต้องไปใช้นี่โดยการไปทําทันตกรรมไปทําไปทํางานหนักไปไปแบบนี้ น, นะเพื่อที่จะล้างล้างบาปล้างสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ดีลักษณะนี้เหมือ น, นกันพอไปประพฤติโคนี่ความจริงไม่ประพฤติก็ได้แต่ไปประพฤติเพื่อให้หมันที่มันจะชดใช้ไอ้ควเก่าเป็นเป็นการใช้กรรมเก่าซะเป็นอะไร แล้วก็ไม่ทํากรรมใหม่ถ้าใครยิ่งทําได้เผ็ดร้อนเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมก็ยิ่งถือ<ล>ว่าใกล้บริสุทธิ์เร็วนะหรือบางทีก็ด้วยการขนทรายก็มนะีข้อปฏิบัติคือการขนทรายก็มีนะอาบน้ําก็มีก็ก็แล้วแต่จะบัญญัตอิอจะาศาสดาของรัฐที่นั้นๆจะบัญญัติอะไรขึ้นเนี่ยนะบัญญัติกระบวนท่ายัางไงขึ้นเนี่ยนะ เพื่อที่ว่าทำแล้วอย่างหนึ่งคือคนที่บัญญัตินี้ก็ต้องดูว่าคนหมู่มากเห็นด้วยไหมถ้าบัญญัติอันนั้นขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อที่จะพวกพวกนี้มันโดยทั่วไปมันก็มีพวกลาบพวกอย่างอื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนะี่ยมีคำมุปาทานเกี่ยวเนื่องด้วยนะสับด้วยอะไรด้วยเพราะคนที่ออกกติกาเหล่านี้จะเป็นาศาสดาก็เป็นที่คนยกย่องนับถือบูชายนยะ แม้กระทั่งโดยลัทธินุ่งลมหอมอากาศที่อินเดียก็ไม่ใช่ว่าทําแล้วมันจะพ้นในการคือต้องการชื่อเสียงเป็นต้นนะก็ไม่ได้พ้นอะไรคือเมื่อไปทำทำตัวให้มันอุกฤษองคชาตก็ใช้หินมาหินเนี่ยมาทวงมาอะไรทั้งหมดเนี่ยนะลัทธินุ่งลมหอมอากาศเนี่ยคือในที่สุดมันก็มาปนเกี่ยวกวนเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เรื่องลาบสการะเรื่องชื่อเสียงเรื่องอะไรเนี่ยมันก็วนๆอยู่เนี่แหละ ข้อปฏิบัติเหล่านั้นทั้งหมดนะโดยมากมมไไสรุปไม่ิเนี่ยหมายความว่าต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หรือไปจบที่บริสุทธิ์ที่เอที่ถิเขาคิดนะนะคือเขาคิดอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยถือว่าล้างหน้าสัก50าสิบครั้งแล้วมันจะหายป่วยนะ มันจะหายหรือไม่หายไม่รู้แหละแต่ว่าล้างหน้าแล้วนึว่าโอ้ยไข้ขึ้นไข้มันกําเริบป่วยมากอะนะแต่เขามีคนแนะนําบอกว่าคุณล้างหน้าห้าสิบรอบอ่ะวันนี้คุณจะหายป่วยอ่านะมันจะหายจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่ว่าต้องล้างห้าสิบรอบเนี่ยคือคื อ, คอไอ้ข้อปฏิบัติการล้างหน้าเป็นต้นนะนะอันนี้อุปมานะไอ้ลักษณะนั้นแหละเรียกว่ากลุ่มศีระพัตโตปาทานจะบริสุทธิ์จริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่ว่าจริงๆตามคําสอนเราก็ถือว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์เพราะแบบนั้นหรอกเนี่ยนะ มันมันเป็นทิฏฐิขึ้นคิดขึ้นเท่านั้นเองเหมือนกับว่าโอ้ถ้าอยากถูกหวยนะคุณก็ไปกราบเนี่ยจอมปลวกสักห้าพันครั้งอ่ะนะแล้วคุณจะถูกหวยมันจะถูกจริงไม่จริงอีกเครื่องหนึ่งละแต่ว่าไอ้ที่ได้แน่นอนคือได้กราบแนนะ่ไอ้พวกศีลพระตูปาทานมันเป็นลักษณะนั้นนัน่นเองคนที่ไปกราบลักษณะที่นอกเหนือจากความบริสุทธิ์เนี่ยเช่นเรากราบแล้วข อ, อหวยจะได้หวย พ, พ, พวกนี้ไม่ตัดข้าใน อันนี้ยกมาตัวอย่างอย่างอุกรฤษนะ น, นะจะคือเพื่อต้องการกามทั้งหลายแหละะก็คือกลุ่มนั้นด้วยที่ที่เกิดจากทิฏฐินะการสแสวงหากามด้วยอำนาจทิฏฐิก็เป็นกลุ่มศีระพัตโตปาทานย่อมนะสแสวงหาพบสแสวงหาสวรรค์สแสวงหาอะไรเนี่ยนะจะไปสวรรค์ด้วยการทําแบบนั้นทําแบบนี้ก็ก็นับเนื่องหมด่ะนับเนื่องในกลุ่มศีละพัตโปาทานหมดขอให้พฤติกรรมมันนั้นเกิดจากทิฏฐิเป็น สมุทฐานในขณะนั้นนั้นเนี่ยเป็นที่ถูปาาสีลพัตุปาท า, า, านแต่ก็มีบางกลุ่มที่ค่อนข้างมีบุญ่ะนะบัญญัติสีลพัตุปาทานที่เป็นปัจจัยใกล้ต่อการเจริญกุศลก็มีเนี่ยนะแต่ก็ยังกลุ่มสีลพัตุปาทานเพราะว่าสีลพัตุปาทานเป็นปัจจัยแม้กระทั่งอรูปาวรจรชานก็มีเนี่ยนะสีรพัตุปาทานนะ เป็นปัจจัยแกอารูปาวจรชานก็ได้เป็นปัจจัยแกรูปาวจรชานก็ได้แล้วแต่ว่าไอ้ลัทธิเอ อ, เเ อ, อแล้วแต่เจ้าศาสดาอันนั้นเนี่ยเป็นใครที่ที่จะมานําบัญญัติข้อปฏิบัติอะนะศาสดาบางท่านก็บัญญัติข้อปฏิบัติเพื่อไปนรกอย่างเดียวนนะข้อปฏิบัติของศาสดาบางท่านก็นําไปสู่สุขติเนี่ยนะแต่ก็ไม่มีศาสดาใดาในใ น, ในบรรดาที่มีทิฏฐิเป็นสมทุทฐานเนี่ย ทำให้บริสุทิ์ได้อย่างแท้จริงได้ไบริจาคมากๆแล้วรวยเป็นไหมมีเขาตั้งรัฐที่ขึ้นมาคุณทำบุญไดเยอะๆแล้วคุณจะรวยแล้วร ว, วยคนสวนของผมเนี่ยแก่ไม่ก็มีเงินนะแต่แกถูกเขาแนะนำแบบนี้นนตลอดแบบวเอาเงินไปทำบุญเป็นหมื่นรวยแน่นะบอก ถ้าถ้าลักษณะว่าอธิบายว่าถ้าผู้ที่ให้นี่นะเป็นเหตุปัจจัยแห่งโภคะเนี่ยนะซึ่งก็ก็การให้ทานจริงๆมันก็เป็นเหตุแห่งโภคะอยู่แล้วละแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าการให้ทานของบางคนเนี่ยมันให้ทานกับที่ที่ไม่ใช่นาบุญอ่ะนะเมื่อมาให้ทานกับสิ่งที่ไม่ใช่นาบุญมันก็ผลมันเนาะอยู่ที่คนรับนะจริงๆการให้นี่เป็นเหตุแห่งโภคาคำสอนเราก็ว่าอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่า พอค่าจะได้มากได้น้อยอา น, นิสงส์แรงหรือไม่แรงอยู่ที่คนรับไม่ได้อยู่ที่วัตถุอันนั้นที่ให้เนี่ยนะอยู่ที่ผู้รับถ้าผู้รับเนี่ยคือคือไอ้วิธีการอันนั้นคือมาหลอกลวงอ่ะนะไอคนที่ให้ก็ให้ด้วยความสุจริตใจก็เป็นทานนกนุศลแต่พอดีก็ให้กับคนมิจฉาชีพอ่ะนะหรือให้กับคนทุศีนเนี่ยก็ผลมันก็น้อยตามตามเหตุอันนั้นนะก็คือให้กับคนทุศีนก็มีอา น, นิสงส์มากกว่าให้เดรัจฉานะ่ะก็ดีกว่า แต่ถ้าเขาฉลาดเขาศึกษาเรื่องสังฆทานเรื่องอะไรเนี่ยนะแล้วเขาก็ให้ปรารบสังฆทาน ก, ก็บุญ ก, ก็อยู่ที่การปรารบของเขาแต่ว่าบุญจะได้มากได้น้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันไม่เหมือนซื้อขายนะว่าถ้าลงทุนวัตถุมากแล้วผลจะได้มากคือตัวบุญจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่กุศลจิต การให้วัตถุนั้นมากน้อยไม่ได้เป็นประมาณเป็นประมาณอยู่ที่ว่าเจตนาที่ทำไปนะั่นคืออะไรเจตนาเนี่ยเบื้องต้นผ่องสายไหมกำลังทำผ่องสายไหมทำเสร็จแล้วผ่องสายไหมอันนี้เครื่องวัดก่อนทีนี้ผลอ น, นั้นเนี่ยมีผลมากไม้มก็กรรมัสกตาในขณะที่ที่ทำด้วยแต่ก็ถ้าลักษณะนี้นะคนโฆษณาก็ถ้าทำด้วยสุจริตใจก็ดีไป แต่ว่าคนให้ก็ได้บุญน ล, ล่หละแต่ว่าไอ้คนรับนี่ไม่รู้ยังไงถ้าจะสงสารจะสงสารคนรับมากมา